ขอความสุขความเจริญจุมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโติยาณในวันนี้ก็สืบต่อมาจากวันก่อนคือทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมคือสายดับหมายความว่าเมื่ออริมัรไปองแปดประการสมบูรณ์ก็เกิดเป็นสัมมาญาณกับความรู้ในทางที่ชอบ จีตก็หลุดพ้นจากกิเลสในที่นี้ทรงใช้คําว่าวิราคะคือปราศจากความกำหนัดตามความที่เคยอ่านหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตคงนึกออกนะฮะว่าเมื่อมีการถามอะไรเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายก็ทรงแสดงว่าวิราโคเสตโธธรรมานังวิราฆะเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลาย แต่ลาค้านั้นก็คือนิพพานคือวิมุตติคือวิสุทธิคือสันติคืออะไรอีกมาก ม, า, กม า, กกายก่กองประมาณสักเก้าสิบถึงร้อยคำนะมีความหมายอย่างเดียวกันคือหมายถึงนิพพานไปกันเพรา ะ, ะทรงพิจารณาก็ทั้งตรงนี้ทั้งกระบวนการเดี๋ยวก็ดับหมดพระพุทธเจ้าจึงไม่มีชาติแล้วก็ไม่มีพวก ในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพราหมณ์คนหนึ่งคือด่าพระพุทธเจ้านะะเรียกว่าอปาคพโพแปลว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักผุดจะเกิดพระเจ้าก็ทรงแสดงว่าพรามณด่าได้ถูกต้องเพราะว่าตถาคตไม่เกิดแล้วกิเลสเป็นเหตุให้เกิดของตถาคตเนีไม่มีแล้วพรามณ์ก็ด่านะแต่ว่าทรงรับแล้วก็ทรงอธิบายให้ฟังพอถูกต้องในความหมายเนี่ย แต่ไม่จะถูกต้องในความหมายที่พราหมเขาดา่าจากนั้นก็ทรงเปล่งเป็นรูปพระพุทธอุทานในวาระที่สองก็อตอนมัชิมายามของราจีนิทรงเปล่งว่า mm hmm. เมื่อได้แลทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ mm hmm. เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพระามนั้น่ยมสิ้นไปาะ mm hmm. ได้รู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลาย คือเราจะเห็นว่าพวกนี้เป็นกระบวนดับว่าผลพวงทั้งหลายเนี่ยคือถ้าเรามองในลักษณะสืบสาวมันไม่ใช่ไปตัดตอนเอาที่ใดที่หนึ่งเราจะเห็นว่าในบ้านเมืองเราปัญหาเป็นอันมากที่น่าห่วงก็คือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนเนยแต่คนไปโยนให้สภาพแวดล้อมเราดูตัวอย่างง่ายๆว่าปัญหาความยากจนเนี่ย มันไม่ได้มาจากปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็นองค์ประกอบร่วมเวลาเนี้ยเราอยู่ในประจากษมโรคมันมีทั้งปัจจัยภายในภายนอกแต่ว่าตัวหลักเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราปัญหาเกิดที่ไหนเกิดที่เราก็ตัวหลักมันก็อยู่ที่เราอะไรตัวอื่นมันเป็นปัจจัยประกอบเฉยแน่นอนก็มีอานาจอิทธิพลพอสมควรนะฮะเช่น ปัญหาทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยถ้าเกิด น, น้ํามันแพงเนี่ยมันก็เรืทืนกันหมดอะ่ะแล้วเราสั่งยานภาชนะหมวดยานภาชนะเนี่ยเข้ามามากมันก็ดูดเอาเงินออกไปข้างนอกเยอะแล้วน้ํามันมันก็เป็นเงินออกข้างนอกยานภาชนะก็เงินออกข้างนอกแล้วจะเรียกร้องให้เศรษฐกิจดีมันก็ดีไม่ได้อะ่ะเอาเองินสองตัวต่นนั้นเดงก็ยุ่งตายละ ผลกระบวนการของเหตุปัจจัยเนี่ยผู้เจ้าท่านมองสืบสาวมาตั้งแต่ต้นๆมันต้องย้อนกลับไปที่นอนเลยตอนที่ทรงเห็นเทวทูตเนี่ยทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนะเห็นมาตามลำดับก็แสดงว่าเห็นทุกแต่ยังได้ไม่ศึกษาถึงสาเหตุของทุก มันคิดจะหนีจากทุกเพราะยังไม่ได้ศึกษาสืบสาวตัวเหตุนั้นทงมองถ้สมัยนั้นก็มองแค่เกิดมองแค่เกิดถ้าสายของปัจจัยการตรงนี้เราจะเห็นว่ามองที่ตัวนา ม, มารูปแต่นามรูปมันเป็นผลมันมีเหตุมาอีกตั้งสามตัวอยู่ข้างอยู่ข้างหัวเดี๋ยววิชาสังขารนะกวิวญญาณเนี่ยมันกลายเป็นนามรูปแต่ในสมัยนั้นก็สมมองว่ามันมาจากเกิดนี่แหละแก่เจ็บตายเนี่ยมาจากเกิด ก็สแสดงก็มองยังไม่ตลอดเสร็จแล้วก็หาทางออกมันก็หาทางออกในตอนแรกก็หาทางออกในเชิงที่เป็นรูปแบบก็คือชีวิตสมณะพอเห็นสมณะเข้ามาก็ทรงเปล่งอุทานวาสาธุโกประปิชาวบวชนี้ดีนักแหลโดยทรงมั่นประทัยว่าจะสืบสาวไปถึงการไม่เกิดได้ผลอนพอจัดสรุ้ก็จริงๆเนี่ยปรากฏว่า มันไม่ใช่ตัวที่ตัวเกิดตัวเกิดก็เป็นผลมันเป็นวิบากนะฮะที่จริงมันเป็นวิบากเราจะเห็นว่ากิเลสกรรมแล้วก็วิบากอวิชาก็เป็นกิเลสสังขารก็เป็นกรรมวิญาณนามรูปมก็เป็นวิบากพวกนี้ก็เป็นวิบากหมดะลงมาถึงเวทนาเนี่ยมันเป็นวิบากตานาอุปาทานมันก็เป็นกิเลสอีกภพมันก็เป็นกรรมอีกกรรมมันก็ ชาติมันก็กลายเป็นวิบากฉลามานาะทั้งหมดนะฮะันก็เป็นวิบากอีกก็หมุนเวนกันอยู่อย่างนั้นเพราะในกิเลสกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากมันก็หมุนเวนกันอยู่อย่างนี้ทีนี้การคําว่ารู้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่นี้เรานิยมกันในเรื่องว่านักวิชาการ เมื่อก่อนอย่างนึกขำกรมประชาสัมพันธ์เขาประกาศพระองค์หนึ่งความรู้จริงนะความฉันเอกแต่นั่นเองโอ้โดอกเตอร์เป็นตับอะไรขึ้นมาไม่กลเออมนุษยังก็แปลงเราทำอะไรเป็นยาดุษเดีบันฑิตกิติมศักดิ์มันไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นขึ้นมาเลยนอกจากความรกรุงรังภายในที่อยู่ของเรา เออถ้าเขาให้ปัญญาดุสเดีบัณฑิตกิติมักสั์และความรู้เกิดขึ้นพรวดพรดพวดขึ้นภายในใจเราเออมก็น่ารับนะแต่ถ้ารับไปแล้วความรู้ไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วมันรับไปทําอะไรมันกลายเป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ของคนเราอื่นแล้วเราเองเนี่ยมันก็เสียศักดิ์ศรีเพราะว่าแสดงความรู้ความสามารถอะไรไหนว่าเป็นด็อกเตอร์ไม่เห็นมีภูมิรู้อะไรเลยเพราะมันไม่มีภูมิรู้่ ไม่ไม่ได้ปลูกเสกเราได้แต่คนมานิยมชมชอบในเรื่องเหล่านี้เรียกว่าความรู้เหล่านี้มันก็กลายเป็นความหลงแล้ว ก, กลายเป็นดัณหากลายเป็นอุปาทานเป็นมานะแล้วบางทีก็เรียกตัวเองเป็นด็อกเตอร์เลยเนะ น, นี่ยอนึกถึงอาจารย์สุชีปุญญาโนภาพท่านก็ได้ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์บางกันรู้สึกกระทํ า, ทาปรัชญาแต่ไม่ยอมไม่เรียก ท่นก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรแต่ว่าไม่อยากจะขัดคอคนฮนะความรู้จริงๆในที่นี้คือรู้แล้วเนี่ยต้องไม่รู้ดับความไม่รู้ทีนี้ความไม่รู้เนี่ยมันเป็นเหตุจะเกิดอะไรเป็นเหตุจะเกิดโลภะโทสะโมหะเห็นะฮะเป็นเกิดที่เกิ ด, กดทิสยาะไ ร, ต, รต่างๆพวกเหล่านี้ต้องถูกดับไปด้วยแต่เราก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะ ทำยังไงว่าเมื่อเราเกิดความรู้แล้วนี่สามารถลดโมหะลดโลภะลดโทสะลงไปได้ลดริษยาลงไปได้ความรู้ระดับที่เราเรียกว่าเป็นมนุษย์มนุษย์ดั้งแปลว่าสัตว์โลกที่มีใจสูงแสดงถึงพื้นฐานดังคุณธรรมมนุษย์คือสัตว์โลกที่รู้อะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์นั่นคือความรู้ หรือปัญญาหรือมนุษย์ยคือสัตว์โลกที่มีเหตุผลนั้นก็แสดงถึงภูมิรู้หรือปัญญางนทั้งท่านแสดงให้เห็นถึงการลดของกิเลสอยู่ระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นสาธุชนคือคนดีในสังคมเพราะถ้าท่านเข้าถึงจุดตรงนั้นเนี่ย อาการทางกายวาจาของท่านเนี่ยจะเคลื่อนไหวไปบนวิถีแห่งกุศลธรรมโดยอัตโนมัติท่านจะปฏิสัมพันธ์กับสังคมในเชิงที่เป็นการสร้างสรรค์พัฒนานั่นก็คือยอมรับสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของบุคคลอื่นในส่วนตัวท่านเองจะไม่ร่วงละเมิด แล้วก็เวลาสื่อสารติดต่อคนอื่นนั้นเขารับสิทธิในการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของเขาแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นกรรมคือการพูดของเราเราก็ดูว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดไม่ใช่ว่าความจริงทุกอย่างควรพูดหรือความจริงทุกอย่างไม่ควรพูดไม่ใช่อย่างนั้นก็ดูว่าควรพูดหรือไม่ควรพูดมองไปที่ความจริงซึ่งเป็นธรรมแล้วก็มีประโยชน์ แล้วก็พูดออกไปมีความรู้สึกดีต่อคนอื่นก็ส่งเสริมให้เขาไว้เกิดความสามคัคคีประสานสามคัคคีกระชับสามคัคคีเวลาต้องสนทนาพูดถึงหรือพูดด้วยนะฮะพูดถึงคนอื่นรับหลังหรือพูดเ ข, เขาต่อหน้าเนี่ยแม้ก็ใช้วาจาที่ไปร้ออ่อนหว ให้ความเคารพให้เกียรติยกย่องตามทีควรแก่ฐานะแล้วก็ไม่พูดวาจาที่เพ้อเจิดเรืวไหลความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจที่ชัดเจนนั้นคือความโลภได้ลดลงไม่ถึงก็โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นความโกรธได้ลดลงไม่ถึงกับอาฆาตพยาบาทปองร้ายใครก็อาจจะโกรธนะนะความหลงได้ลดลงคือไม่ถึงกับผิดจากทํานองของธรรม คือว่ามเห็นอาจจะผิดผิดไปบ้างแต่ไม่ถึงกับหลุดโลกออกไปกระเคลื่อนบาํานองของทรามก็นั้นแสดงว่าตรงนี้ที่จริงเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ความสิ้นไปแห่งปัจจัยทั้งหลายได้เพราะตัวเหตุหลักเนี่ยมันอยู่ที่อวิชชาเพราะฉะเมื่ออวิชชาดับเนี่ยสังขารก็ดับ สังขารดับบินแดนดับอินดามดับนามรูปดับก็ดับไปเรื่อยๆทีนี้เมื่อวิชามันเกิดขึ้นเนี่ยสมรับสามัญชนนะฮะเมื่อวิชาก็เกิดขึ้นระดับดังนี้สังขารก็คงมีนั่นแหละแต่ว่าเป็นบุญมากยิ่งขึ้นเป็นบาปจะน้อยลงวิถีชีวิตคนเราก็เป็นบัณฑิตอเป็นสาธุรชนทั้งหลายซึ่งเราจะมองสะท้อนจากภาพอะไรก็ตาม ในส่วนตัวขอนท่านเองท่านก็อยู่ในสิทธิในธรรมในส่วนที่ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นก็จะสร้างสารรค์พัฒนาและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเพราะว่ามันลดโลภะทุศามาลงไปนะการเกี่ยวข้องผูกพันกันของบุคคลมันจะออกมาในรูปของความรู้สึกดีรู้สึกเป็นเมต ร, รู้สึกเมตตามุ่งดีปราถนาดี เราลองสังเกตว่าหลักของภูมิฐาเนี่หลักของภูมิฐานเบื้องหลังจริงๆมันเป็นปัญญาเป็นเได้เกิดเนี่ยก็คือตัวปัญญาพิจารณาโดยเอาตัวเองมาเป็นอุปมาทเทียบเคียงโดยความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นหน่วยของสังคมถ้าสังคมปฏิเสธสถานภาพของเราเจะอยู่ยากมาก พระทํำยังไงว่าให้สังคมยอมรับตั้งตือสถานภาพของเราแล้วก็ไม่ประทุษร้ายเราไม่มองเราเป็นคนชั้นสองมองด้วยดุมินเยีดเยดๆนะฮะจึงแน่นอนตรงนั้นเป็นความปรารถนาร่วมกันแล้วถ้าเราคิดได้อย่างนั้นน่ยนะฮะคิดได้อย่างนั้นความรู้สึกเป็นมิตรมันก็เกิดขึ้นก็กลายเป็นอาการของเมตตานะเวลาเราประสบปัญหาความเดือดร้อน มันช่วยตัวเองไม่ได้และจจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นคนอื่นก็เข้าไปโอบปุ้มคุ้มครองช่วยเหลือเวลาเราประสบความสำเร็จทำงานเหนื่อยยากลำบากแทบตายแล้วก็เพื่อนมาริษยาเนี่ยแหมมันเสียความมั่งใจแต่เพื่อนมามุธิตานะฮะแสดงความยิน ด, ดีแสดง การยอมรับนับตือแม่ทิศยาเราก็สบายใจแต่ทีนี้ในลักษณะของอารมณ์ตรงนี้ที่จริงเป็นเรื่องของเร า, ว, าว่าเราประสบผลกรรมเนี่ยก็เอาเฉพาะที่เราทำคืออย่าเพื่อนอย่าใช้อารมณ์ไม่ใช่ว่าผิดนิดเดียวว่าจะเยอะเลยเสียพู้เสียคนไปเลย มั่นเป็นการลำเอียงแสดงบางคนเหล่านั้นใช่อารมณ์๋ยวเราก็คงห้ามเขาไม่ได้เราก็มาแก้ที่ใจเราคือไม่ให้ใจในใช่อารมณ์ว่าอะไรไปตามเหมาะตามควรแก่กรณีนะี่ยหรือทำให้มองเห็นภาพอย่างหนึ่งข่าวคราววันก่อนไป รถนามหลวงพ่อสมเด็จพระหมหาวีรวงศ์ธิวราชประดิษฐ์นีพระเทรศผู้หนึ่งท่านประรบเรื่องการเลื่อนสมณศักดิ์คือท่านบอกว่าพระต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่มีโอกาสแม้แต่ท่านเหล่านั้นจะอยู่ในกรุงเทพเนี่ยหรือจะว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้เนี่ยมันเหมือนกับลูกเมียน้อยจะไม่มีโอกาสเจริญเติบโตยากที่สุดที่จะหลุดขึ้นมาได้เนี่ย มันจะกระตุกตัวอยู่ที่คนภากลางนานมาเลยเกินนะเช็คประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์ได้เลยนั่นคือแสดงใ น, นลักษณะความลำเอียงความอาฆติการแบ่งแยกความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองความรับผิดชอบต่อศาสนาแต่ถ้าเรานับมือสมังสมังที่ทํางานเพื่อศาสนาในกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะก็งเจ็นว่าภาคต่างจังหวันวดนี่เยอะเลย เพราะางจังหวัดมังคลมากกว่าส่วนกลางดังเยอะแยะอีสานนี่หนึ่งในสามของประเทศนะแต่เระเห็น ว, ว่าพระที่รับการยกย่องส่งเสริมสนับสนุนเนี่ยมันก็มีน้อยก็ทำงานในพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตอย่างจังหวัดนครราชสีมาในวัดก็ตั้งสองพันกว่าวัดจากน้าจังหวัดเป็นแค่ชั้นเทพเท่านั้นเองเอ น, นี่คือสิ่งที่เราเห็นเราเออมันไม่ค่อยจะยุติธรรมจริงนั่นแหละ อย่างที่หลวงพี่รูปนั้นท่านท่านกสิบประสาไปฟังแต่นั้นแสดงอะไรแสดงถึงความอาวิชชามันก็เป็นสังขารคือคิดบาปทำบาปแล้วก็พูดกับบาปมากลายเป็นจิตวิญญาณที่มีนามรูปซึ่งไม่มีคุณภาพมากลายเป็นกระบวนกนี่กระบวนหนึ่งแต่ทีนี้ถ้าถ้าถ้าเรา ไปรับรู้เรื่องเหล่านั้นคือถ้าหากว่าเป็นคารวาสเนี่ยเขาอาจจะแสดงอะไรอรื้อตึกรึกโครบไปอะปะทวงคัดค้านอะไรๆก็ว่ากันไปนะแต่เ ร, เราคงทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพสมนสัตว์ตรงนั้นมันไม่ใช่เนื้อหาสาระของาศาสนามันเป็นกะพี้ เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาให้คือหมายความว่าที่จริงก็พยายามที่จะทำไพ่เป็นเจ้าขุดมูลนายแล้วพอราเป็นขึ้นมาเนี่ยปัญหาสำคัญว่กกิเลสมันเพิ่มแต่โดยเห็นนะฮะวันก่อนเนี่ยไปไปที่งานเนี่ยคือราชาคณะตาแหน่งก็สูงชัดทํานะฮะก็ก็มานั่งอยู่ข้างหลังอ่แต่มา เพราะพันาก็อ่อนกว่านะพันากอ่อนกว่าก็เดินผ่านก็ยกมือไหว้แต่ก็มีพระบงคงพยายามจะผลักใส่เขาไปอยู่ขา้างหน้าคือคือไม่รู้จะรถจะอย่างอะไรกันนักหนาขนาดมานั่งรอเรยรถน้ําศพอย่างไี้ว่าเออมันก็แปลกนะทังคมเนี่ยก็แปลกแกล้ง้งก่อนไปเผาศพทีหนึ่งแล้วก็ไปนั่งธรรมดาเนี่ยเราไปเผาศพเนี่ย นั่งตรงไหนก็ได้กัอบอศพผอเสด็จก็กลับพวกจะผลักดันให้ไปนั่งเก้าอี้เบาะนวมไม่ได้ผมไม่ต้องหรอกเรามาพอศพไม่ใช่มาราชพิธีอะไรเนี่ยนะคือไปแบบพระองค์หนึ่งอ่ะไม่ได้เอายศช้างคุณนามพระไปด้วยปัญหาตรงนี้ปัญหาว่ามันเกิดจากความยินดียินรายจนเกินไป พอยินดีแล้วมันอดแต่ยินร้ายไม่ได้เจ้ว่ารายินดีเพื่อเราเนี่ยก็คือยินร้ายเพื่อคนอื่นดีดกันคนอื่นกัดขวางคนอื่นริดรอนคนอื่นแล้วก็สุผลุดท้ายเนี่ยอะไรว่าตรงเนี้ที่จริงมันเป็นเป็นราชสักการะที่พระมากษัตริูเนี่ยถาวายแก่พระซึ่งรับภาระธุระพระพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอติกรอนุเคราะห์พระภูสามเนร ไอ น, นี่คือเนื้อหาหลักหลยแล้วถ้าเราดูให้ดีเนี่ยมันไม่ได้เน้นที่การปกครองไมไ่เน้นที่การก่อสร้างแต่เน้นที่การศึกษาการปฏิบัติการเผยแพร่อันเป็นเนื้อหาจริงๆของพุทธศาสนาเนี่ยแต่เราก็มาเล่นเรื่องอำนาจทางการบริหารกันซึ่งปริมาณงานก็นิดเดียวนะฮะบริหารไม่ได้ใหญ่โตอะไรองค์กรของคณะสงฆ์ในพระก็ประมาณตั้งสามแสนน่นได้ไหม มันไม่ได้มากมายอะไรแต่นี่ก็คืออะไรคือใจเราอาคติมันเกิดเป็นปัญหาว่าเสียความเป็นสมดุลมันเหมือนกับเสาสี่เสาเนี่ยฮะแล้วก็ไปวางน้ําหนักที่เสาเสาเดียวเพาอื่นเนี่มีความหมายอะไรมันเหมือนกันาราการจัด ก, การศึกษาของเราในปัจจุบันจะตูสดมเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าพุที่ศึกษาภาระศึกษาหันทศศึกษาเนี่ย โอ้เยอะยะไปหมดเลยจนจะตั้งเป็นกระทรวงแล้วนะกระทรวงการกีฬาแห่งชาตแิแต่ว่าจริยศึกษาอยู่ที่ไหนเนื้อหาความเป็นมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่พัฒนาการทางจิตที่ลดเนี่ยลดโลกกดหลงลงไปเนี่ยพูดง่ายๆว่าลดเอาวิชาลงไปเมื่อวิชาลดสังขารที่เป็นบาปก็ลด บังคนบได้บูรุณก็คพิ่มขึ้นนะฮะเพราะว่าอาวิชาเนี่ยมันไปดับมันได้ขาดจริงๆ น, นั่นต้องเป็นพระอาหารหนะันต์นั่นบนเส้นทางสายเนี่ยโดยเสด็จรออยู่คนบาทของพระองค์แล้วในกระบวนการนี่เรียกว่าความสิ้นไปอย่างเหตุปัจจัยทั้งหลายเนี่ยจะลือมาเป็นโครงสร้างแม่บทเพราะสิ่งทั้งหลายนั้นมาจากเหตุปัจจัยความยากจนเนี่ยมาจากอะไรไมาจากเหตุปัจจัย และสาเหตุปัจจัยที่ตัวเราเนี่ยมาจากอะไรคือตัวไม่รู้เนี่ยเป็นโดดหลักเลยตัวไม่รู้ก็ก่อให้เกิดความยากไร้ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดปัญหาเรื่องการวางแผนครอบครัวก่อนปัญหาตามเป็นแถวไปแราวทายังไงในวัยเรียนเราก็ควรจะเรียนเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจเพื่อเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทีนี้เมื่อวัยเรียนเราเรียน โตขึ้นมาเนี่ยเราก็มีความรู้มีความรู้เราก็หาทางแก้ปัญหาแก่ตัวเองได้อะไรคือปัญหาอะไรของสาเหตุของปัญหาอะไรคือเป้าหมายอะไรคือหลักการวิติการที่จะดําเนินไปสู่เป้าหมายทรงนั้นนั่งก็รู้แต่ลองสังเกตว่าปัญหาความยากลยเนี่ยมันไปสัมพันธ์กับความไม่รู้รอนด้อยในการศึกษา แน่นอนส่วนหนึ่งรัฐจัดการศึกษาแต่ว่าส่วนหนึ่งที่เราดูที่เรามั่งหรือเปล่าว่าเราขี้เกียจเรียนเราไม่สนใจเรียนไม่กระตือรือร้นในการเรียนคือคนเป็นอันมากเนี่ยบางทีเนี่ยทุนมาตลอดทํางานหนักเรียนจนได้เป็นด็อกเตอร์เนี่ยรับใช้ร้างท้วนถ้วยโถโอชามอะไรต่ออะไรตามบ้านตามช่องเขาเนี่ยเขาก็ดิ้นรนช่วยตัวเอง แต่ว่าเราไม่ได้มองว่า้เหตุปัจจัยส่วนหนึ่งนี่เราสร้างขึ้นมาเองและในสุดก็เรียกร้องรุนแรงใช้วิธีการต่างๆในสุดมันก็เพิ่อปัญหาเช่นพอประตูอะไรปิดถนนไปปิดทําไมไปเบียดเบียนคนอื่นทําอะไรเรามีสิทธิอะไรอ่ะไปปิดถนนถนนไม่เกิดจะภาษีของราษฎรทั่วราชนจาจักรไม่ใช่เกิดาจากภาษีของเรา แล้วปัญหาเอาก็จริงเราก็เสียภาษีน้อยกว่าคนอื่นนี่นี่คือไม่คิดมันก็มาจากความไม่รู้ไม่รู้มันก็เกิดเป็นโทษสะเกิดเป็นโลภะเกิดเป็นหลงตัวเองตรงนี้มันมันไปกลายเป็นบล็อกสาเร็จรูปที่เราจะไปมองตรงไหนก็ได้และศึกษาในแง่ว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยไม่ใช่ปัญหาบางอย่างปัญหาทุกอย่างมันมาจากเขต แล้วก็ความดีทุกอย่างมันก็มาจากเหตุก็ เ, เรียกเหตุปัจจัยเมื่อเราต้องการผลที่พึงปรารถนาเราก็สร้างเหตุที่ดีขึ้นผลที่พึงปรารถนาก็เกิดขึ้นแล้วชีวิตมันก็จะดำเนินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องดังนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นโครงสร้างใหญ่เป็นโครงสร้างแม่บทของทุกเรื่อง แล้วไม่ใช่ว่าใช้เฉพาะในกรณีว่าต้องบรรลุมรคผลเสมอไปนะคนส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ข้างล่างของสังคมระดับศีลธรรมจัญญาเนี่ยเอาโดยสเสด็จระดับศีลธรรมจันดาให้ได้แล้วก็เมื่อได้สัมผัสผลฉันทะอุตสาหะในธรรมก็จะเพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับต้องฝังกางหลาย ได้ร่มประพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไยบูุ์ในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังหลายโดยทั่วกันสวัสดี